แต่มาเห็นอยู่ที่วัดปวรนะพระเป็นร้อยนะเข้ามาแล้วก็หลวงพ่อก็อเหมือนกับกะเหลี่ยงเข้ามาในเมืองลักษณะอย่างนั้นล่ะอพอหลวงพ่อเป็นพระป่าพระโร์ทั้งดุนอย่างที่เคยเรียนให้ทราบพอเข้ามาแล้วก็มาที่โบสถ์วัดปวรอพอมานั่งคอยเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรนรัตน์องค์ปัจจุบันท่านก็เป็นพระ ผ, ผู้ใหญ่และก็สมเด็จท่าน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 เอออย่างนี้แ่ะท่านก็เรียกชื่อเล็กชื่อเรีกชื่อครับอากโตปันเตอกโตปันเตมาครับมาครับท้าองค์ไหนไม่มาเรียกสองักสองครั้งไม่มาท่านก็ขีดเชื่อไว้องค์นี้ไม่มาเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อก็มาเห็นกฎระเบียบในวัดบวรนิเวศพี่วะพิหารแห่งนี้นะคณะสาธ า, า, ายาติโยม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 จากนั้นก็ท่านก็นั่งฟังพระปฏิโมกก็มีพระท่านที่ได้ปฏิโมกที่ท่านฝึกไว้แล้วนะท่านสมมติไว้แล้วองค์ไหนองค์สวด น, นะท่านก็ได้กราบแล้วขึ้นไปแสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์แต่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จถึงท่านอายุมากขนาดนั้นนะท่านยังจับหนังสือปฏิโมกขนะทบทวนนะกลางปฏิโมกเล่มเล็กๆท่านกา็อ่านไปตาม ให้แค่ว่าท่านทบทวนทบทวนตามองที่สวดนะ่ะองสวดปฏิโมกนะ่ะท่านไม่ได้ปล่อยป่าละเลยนะให้แค่ว่าท่านติดตามการสวดนี่ถูกต้องไมอย่างไงลักษณะอย่างนั้นแนะให้แ้าว่าท่านถึงอายุมากหลวงพ่อกมาเป็นบางครั้งมามาครั้งใดก็เห็นท่านเจ้าพวะคุณสมเด็จนะเป็นผู้ใส่ใจไฟในกฎระเบียบในเมื่อท่านฟังจบลบลงแล้วนะ ท่านก็ให้โอวาตสมัยก่อนนะท่านยังหนุ่มอยู่ท่านให้โอวาตรหลวงพ่อยังจำไม่ลืมโอวาทของท่านเกือบ20ปีนะการัตถา ญ, ญาิโยมที่หลวงเจ้าพระคุณสมเด็จให้โอวาตในวันนั้นหลวงพ่อบอกวา่าท่านบอกวา่าออวัดบรวรของเรารู้สึกว่าคู่คนเข้ามาผ่านเข้ามาพุกผ่านออพุกผ่านขึ้นมาก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 ได้เขียนเอาไว้น่าศึกษาหน้าฟังเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองถ้าเป็นหนังสือจองพระคุณสมเร็จแล้วหลวงพ่อจะเก็บไว้ในห้องสมุดเพื่อเป็นตําราเพื่อเป็นแนวศึกษาของพระรลกพระหลานต่อไปภายภาคหน้าอันนี้แหละก็คือที่อาตมาพาไปเรียนให้กับพี่น้องประชาชนจัตทาาญาติโยมที่หลวงพ่อได้มาเกี่ยวข้องกับพระ อ, องค์ท่าน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 ทำตนยังไงอยู่ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านให้ความสนใจในทางฝ่ายทั้งฝ่ายปริยัติ ด, ด้วยทางฝ่ายพระป่าทั้งปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะฉะนั้น เ, เจ้าพระคุณสมเด็จจึงเป็นปู่ชั้นยะบุคคลเป็นปูชนี เ, เป็นพระมหาเถระที่น่ากราบไหว้เคารพสักการะบูชาของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลาย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 เออเอียกว่าผ้าอันนี้จกกระปกหนอผ้านี้สะอาดหนอทีแรกผลในสุดกับผ้านี่ก็สีดาขึ้นมาก็เห็นอนิจจ์จากนั้น พ, พระองค์ก็ได้เออเอาดอกบัวให้พระติดสะเถระอีกท่านหนึ่งให้ท่านมองดูเพ่งความสวยงามจากนั้นดอกบัว น, นก็เศร้าหมองก็เห็นกฎอนิจจ์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 แต่ก่อนที่จะเห็นจุดนั้นจะต้องมีสมถะคือทําจิตใจให้นิ่งสัก่อนการที่ทําจิตใจให้นิ่งคํานี้แหละพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพที่พุทธคยาในวันเดือนหกเพนนะ่ะพระพุทธองค์ทําอย่างไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งเพราะเราจะไปพูดแต่ปลายองคนั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เทศอย่างนี้ ก็มีมากหลากหลายแต่ตามไม่จริงเราต้องฟังแนวแถวของพุทธะสกนเพราพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนในวันนั้นพระพรทองค์ทำอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาในรายละเอียดเพราะพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพุทธประวัติพูดอย่างละเอียดว่าเย็นวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน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 ลากฝอยออกมาตะปุ่มตะปําพอลากโพก็อย่างพวกเราเคยเห็นโสธิยะเห็นสิทธทานนั่งอยู่ตามลาพังก็คงจะไม่สบายนายโสธิยะก็ได้นำย่าคา8ปดกำมือมอบให้กับสิทธถาก็คงเห็นกันแล้วก็คงจะเกิดความรบนับถือเรื่มใสว่าท่านนั่งอยู่ได้ยังไง้ารากโพมันตะปุ่มตะปําอย่างนี้ก็คงจะมอบให้8กํามือ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 ความหมายและความแปลว่าขยัยวยะรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ไปยังประโยชน์ชนตนประโยชน์ตนก็คือนะอแล้วก็ประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็นบําเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดตกบกพ้องแต่เมื่อเราบําเพ็ญทานศีลภาวนา